คันทักายะสังยุตหนึ่งสุทิกะสูตรว่าด้วยเทพผู้นับเนื่งในหมู่คันทัพระเทพล้วนๆสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปินิกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีและถึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทั พ, พเทศแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทัพประเทศเป็นอย่างไร <c oughs> คือเทพทั้งหลายสถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มี สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่สะเกจก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่า เทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทพระเทพสุธิกสูตรที่หนึ่งจบ 2. สุจริตสูตรว่าด้วยสุจริตเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทร ะ, ะเทพมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเชไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทัพะเทพ หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทระเทพภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทระเทพสุจริตสูตรที่สองจบ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 อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าชนะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากจึงให้ต้นไม้มีกลิ่นที่รากหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากภิกษุ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 หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นละถึงเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่สเก็ดเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ เทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ พระพุทธสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉันไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นละถึง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 เทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นจึงให้ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นและถึงให้ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีให้ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกให้ต้นไม้มีกลิ่นที่สกเยให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล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 สารคันธาทิทาตาสุตตะนวกะที่สถึงส2องจบ13ถึง22มูลคันทะทานุปการะสุตตะทศกะว่าด้วย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 ๒3ถึง112สารคันธาทิทานุปการะสุตตะนวุติกะว่าด้วยพระสูตร90สูตรมีสารคันธาทานุปการะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าช่นไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงการอยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น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 หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นสารคันธาธิธานุปการะสุตตะนวุติกะที่2 3ถึง1้จบด้วยการรวบรวมเข้าเป็นหมวดเดียวกันอย่างนี้จึงมีพระสูตรร้อยสิบสองสูตรคันทพกายะสังยุตจบ รวมพระสูตรที่มีในสังยุทธ์นี้คือ 1. สุทิกะสูตร 2. สุจริตะสูตร 3. มูลคันทะทาตาสูตร 4. ถึง 12. สารคันธาทิทาตาสุตตะนวกะ 13. ถึง 22. มูลคันทะทานุปการะสุตตะทศกะ 23. ถึง 112. สารคันธาทิธานุปการะสุตตะนวุติกะ 11. วลาหากะสังยุต 1. เทศนาสูตรว่าด้วยทรงแสดงเทพพวกเวลาหก เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเทพพวกเวลาหกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเทพพวกเวลาหกเป็นอย่างไรเครอเทพทั้งหลายที่เป็นสีตะเวลาหกก็มีที่เป็นอุณหเวลาหกก็มีที่เป็นอภะเวลาหกก็มีที่เป็นวาตะวลาหกก็มี ที่เป็นวสะวลาหกก็มีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าเทพพวกวลาหกเทศนาสูตรที่หนึ่งจบสองสุจริตตสูตร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 3ถึง 12. สสองีตะวลาหกะธานุปการะสุตตะทัสกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีสีตะวลาหกะธานุปการะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถีภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกสีตะวาลาหกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพพวกสีตะวาลาหกมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า เช่นไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกศีตวลาหกจึงให้ข้าวละถึงให้น้ําให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูบไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีบหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกศีตวลาหกภิกษุ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 หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกวัสวลาหกภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกวัสวลาหกอุหวลาหกะทานุปการะสูตรที่13ถึง52จบ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 เทพพวกศีตวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นความหนาวจึงมีภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความหนาวในการบางคราวศีตวลาหกสูตรที่ 53% จบ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 เทพพวกอุณหเวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นความร้อนจึงมีภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความร้อนในการบางคราวอุณหเวลาหกะสูตรที่ห้าิสี่จบ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 เทพพวกอภวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นหมอกจึงมีภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีหมอกในการบางคราวอภวลาหกสูตรที่ห้าสิบห้า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 เทพพวกว่าตะวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นลมจึงมีภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีลมในการบางคราวว่าตะวลาหกสูตรที่ห้าสิหจบ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 เทพพวกวัศวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นฝนจึงมีภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มีฝนในการบางคราววัศวลาหกสูตรที่ห้าิบเจดจบ วลาหกะสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. เทศนาสูตร 2. สุจริตสูตร 3. ถึงสิบสอง สีตะวลาหกะธานุปการะสุตตะทศกั13์สิบสามถึงห้าสิบสองอุณหวลาหกะธานุปการะสูตรห3าสิบสามสีตะวลาหกะสูตรห4าสิบสี่อุณหวลาหกะสูตรห5าสิบห้าอภภาวลาหกะสูตรห6าสิบหกวาตะวลาหกะสูตรหาสิบเจ็ด วะัสะวาหะกะสูตรสิบสองวัชโคตตสังยุตหนึ่งรูปะัญญาณสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวัน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 ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มีใช่พระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่รู้ในรูปเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งรูปเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งรูปเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง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 รูปะัญญานสูตรที่หนึ่งจบ 2. เวทนาอัญญานสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถี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 วัชะเพราะความไม่รู้ในเวทนาเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งเวทนาเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งเวทนาเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงละถึงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ วัชชะนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงและถึงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เวทนาัญญาสูตรที่สองจบ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 หรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่รู้ในสัญญาเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งสัญญาเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งสัญญาเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่า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 สัญญาอัญญานสูตรที่สจบ 4. สังขาระอัญญานสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในสังขารเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีวัชโคตรปริภาชกนั่งณที่สมควร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 เพราะความไม่รู้ในสังขารเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งสังขารเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งสังขารเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงและถึงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่วชชะ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 วิญญาณอัญญาณสูตรที่หจบ6ถึง10รูปะอัทศนาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอัทศนะสูตรเป็นต้น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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่เห็นในรูปละถึงเพราะความไม่เห็นในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาววัฏฏีวัชชะเพราะความไม่เห็นในเวทนาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาววัฏฏีวัชชะเพราะความไม่เห็นในสัญญาละถึง เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นในสังขารละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นในวิญญาณละถึงเพราะความไม่เห็นในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและอื่นๆรูปะอัทศนาธิสุตตะปัญจกะที่ 6- ถึงสิจบ